แนะนำบทอัลมาซัดบทอัลมาซัดเป็นบทมักกียะห์มี 5 องค์การบทนี้ได้กล่าวถึงความวินาทของอบูละฮับศัตรูของอัลเลาะห์และเป็นศัตรูตัวชกาดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาได้ละทิ้งการงานของเขาและติดตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อทำลายการเรียกร้องเชิญชวนของท่านและขัดขวางผู้คนไม่ให้ศรัทธาต่อท่าน